6. ปัญจวัคยะกถาว่าด้วยภิกษุปัญจวคีเรื่องอาราระดาบทกาลามโคดข้อ10ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงดํารียว่าเราจะพึงแสดงธรรมแก่ใครก่อนหนอใครจะรู้ธรรมนี้ได้ฉับพลันแล้วทรงดรํารีต่อไปว่าอาราระดาบทกาลามโคดนี้เป็นบัณฑิตฉลาดเฉียบแหลมมีปัญญามีทุลีในตาน้อยมานานท่าไกร เราจะพึงแสดงธรรมแก่อาราหดาบุกาละมะโคตก่อนเธอจกรู้ธรรมนี้ได้ฉับพลันลำดับนั้นเทวดาผู้ไม่ปรากฏกายมาทูลพระผู้มีพระภาคว่าพระองค์ผู้เจริญอาราหดาบุกาละมะโคตได้ทำกาละเจวันแล้วแม้พระผู้มีพระภาคก็ได้เกิดยานขึ้นว่าอาราหดาบุตรกาลามะโคตได้ทำกาละเจ็วันแล้วจึงทรงดำริว่าอาราหดาบุกาลามะโคต เป็นผู้มีความเสื่อมนานหนอเพราะถ้าเธอได้ฟังธรรมนี้ก็จะพึงรู้ได้ฉับพลัน